ไม่ต้องจำเพราะความจริงมันก็อยู่อย่างนั้นแหละคนประพฤติผิดในการมนะต้องหลบซ่อนต้องหลีกเล้นใจคอไม่สบายเนี่ยแต่คนซึ่งไม่ประพฤติผิดในการมคนไม่ประพฤติผิดในการมสบายกว่าคนจะกินเหล้ากินยาติดยาเสพติดนี่ไม่สบายต้องหาเงินหนาทองไปซื้อมากินบางอย่างก็มีโทษมากเนี่ยลองดูให้ดีการถือศีล น, นะมันดี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 ถ้าต้องพึ่งคนอื่นพึ่งสิ่งอื่นเราก็ต้องตกเป็นทาสของคนนั้นเป็นทาสของสิ่งนั้นเรื่อยๆไปถ้าเราไม่ได้พึ่งใครนะเรามีสติขึ้นมาเราก็มีความสุขเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยสิ่งภายนอกเป็นความสุขอยู <del> ่ในตัวเองยืนอยู่รู้สึกตัวว่ายืนก็มีความสุขลวนั่งอยู่รู้สึกตัวว่านั่งนะก็มีความสุขโกรธอยู่รู้สึกว่าโกรธขึ้นมาก็มีความสุขโลดอยู่รู้สึกว่าโลดอยู่ก็มีความสุข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 มาจากที่อื่นเต็มประดามาแล้วอาจารย์ไม่เอาแล้วอะไรเนี่ยนะเสกสไล่ส่งมางั้นถ้าเราจเจริญสติจริงๆรับรองไม่บ้านะใจจะรู้สึกตัวจะมีความสุขอยู่ทั้งวันนะ่ะยืนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขใจถึงสุดท้ายนะั้นมันมีแต่ความสุขถาวร น, นี่บางคนเข้าใจว่าศาสนาพุทธมองโลกแง่ร้ายเริ่มต้นก็สอนให้รู้ทุกข์้ย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 นี่สำหรับปีใหม่นะจะได้มีความสุขนะดูหลวงพ่อนะหลวงพอนั่งยิ้มทั้งวันเลยนะยิ้มกับดินฟ้าอากาศนะค่อยๆฝึกหัดใหม่ๆต้องล้มลุกลุกลกานทุกคนนะไม่มีหรอกที่วิเศษวิโสมายกเว้นแต่ว่าทำมาแต่ชาติก่อนแล้วอยากรู้ว่าเราทามาแต่ชาติก่อนหรือเปล่านะไม่ยากหรอกนะหัดภาวนานะพอเรารู้สึกตัวขึ้นมา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 นะตัวความสุขความทุกข์ตัวเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในกายในใจชั่วครั้งชั่วคราวกูสนอกูสลทั้งหลายโลภโกรดหลงทั้งหลายก็เป็นของชั่วคราวแปลปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวนะจิตเองก็เกิดดับไปเรื่อยๆนะอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งนะอย่าให้มีจิตผู้รู้ตลอดเวลา24ชัวงง่วโมงให้สังเกตให้ดีจิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวก็มีจิตผู้คิดเกิดขึ้นแทนแมนะ้จิตก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแต่จิตผู้รู้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 ความจริงในกายในใจมันเป็นยังไงเราค่อยดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เห็นนะอย่างคุณที่ใส่แว่นตาอย่างนั้นไม่ใช่เรียกว่ารู้กายรู้ใจเรียกว่าถลําลงไปดูมันล้วนะหลงไปจ้องมันละหลงไปถลําลงไปใช้ไม่ได้นะรู้กับถลําไปรู้ไม่เหมือนกันหรอกอาเชิญกรรมนัประกาศหลวงพ่ออะค่ะค่ะก็คืออยากถามว่าสติตัวจริงมีบ้างไหมอ่ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้หนูก็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 สมาสตินี่มันเป็นการรู้ทันความมีอยู่ของกายของใจนะไม่แต่ไม่ได้ไปเพ่งจ้อง <c oughs> ถ้าเราเพ่งเราถลำลงไปแล้วก็ไม่ใช่สัมมาสตินะแต่เป็นสติในการทำสมถะของคุณยังติดเพ่งอยู่นะ <c oughs> ใจมันจะนิ่งนิ่ง <c oughs> รู้สึกไหมรู้สึกบ้างค่นะนี่ <c oughs> วัดตัวเองก็ได้มาถามหลวงพ่อทำไม <c oughs> <c oughs>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 เพ่งไว้เราประกอบไว้มันจะนิ่งเหมือนคงที่ทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นไม่มีตรลักษณ์ให้ดูถ้าไม่มีตรลักษณ์ให้ดูปัญญาไม่เกิดดีแล้วล่ะขอบคุณครับผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะนี่พูดแบบสุภาพนะเกือบร้อยละร้อยเนี่ยเพ่งเพ่งเท่านั้นแหละะทำไมต้องไปเพ่งพวกหนึ่งมีมิจฉาทิฏฐิคิดว่าต้องนิ่งนิ่งไว้ก่อนแล้วจะดีกลับนวัสการอยหลวงพ่อคไป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 จำนวนมากเลยที่ตื่นขึ้นมานะภาวนาที่มาตั้งคําถามวันนี้ใช้ได้ทุกคนเลยจิตรู้สึกตัวขึ้นมาหมดละตื่นเต้นรู้ไหมครับตื่นเต้นครับกบราบน้มันสการหลวงพ่อครับก็วันนี้ตั้งใจมาส่งกันบ้านตามาสุดท้ายครับของปีครับก็ตอนนี้ก็เห็นว่าขันท่าเขาทํางานนะครับทํางานของเขาเองอแล้วก็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 แล้วอย่างแทาเรื่องที่เราจะต้องตกใจแล้วเราไม่ตกใจนี<ม>่เราผิดไหมคะไม่ผิดสิแต่เรื่องที่ไม่ควรตกใจแล้วตกใจนั้นเราผิดปกติอย่างเหตุการณ์ที่ว่าหนูนั่งรถอยู่นะคะทางระหว่างทางสามแพร่งอะคะ่ะแล้วคันที่หนู น, นั่งกับคันตรงข้ามอะค่ะเขาแย่งกันเลี้ยวอะคะ่ะแล้วหนูเห็นชัดๆเลยว่ารถคันนี้จะพุ่งเข้ามาหนูล้วหนูวิ่งเข้าไปที่ใจของหนู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 ความรู้สึกอื่น ๆ, ๆโลบโกรธลงอื่นๆก็เป็นของแปลกปลอมอะไรๆก็ดูไปเป็นของแปลกปลอมทั้งหมดเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ก็เป็นของแปลกปลอมเข้ามาดูอย่างนี้เรื่อยๆนะเดี๋ยวดีเองแหละมาสการหลวงพ่อค่ะแรกๆที่ปฏิบัติเนี่ยจะเห็นสภาวะธรรมชังเจนดังๆไหนหลวงพ่อไม่ได้ยินอราแรกๆที่ปฏิบัตินะคะจะจะเห็นสภาวะธรรมชัดเจนพอเริ่มปฏิบัติเรื่อยๆรู้สึกว่ามองไม่ทันนะคะมองดูรู้มันไม่ทัน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 ล, ลดความตั้งใจลดความอยากปฏิบัติลงแล้วก็ขยันดูกายขยันดูใจไปเลยคุณผู้หญิงใส่แว่นตาเสื้อเหลืองภาวนาใช้ได้เนอะอันรู้ไปไ ง, ไงั้นแหละดีแล้วคนอื่นเลยใจดีไปอยู่กับเขาหมดเลยเออแต่ปฏิบัติใช้ได้ไหมคะ อ, มอย่าจงใจแรงไปขอบคุณมากค่ะ อ, อวันนี้ทุ่สศีลก็ดีกลับนริสกาหลุมพ่อเจ้าค่ะไหนไหนไหนอ๋อ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 ก็เลยใช้วิธีตามรู้รู้กายรู้ใจไปก็เลยสงสัยอยู่ว่าถ้าจะใช้วิธีในการ เ, ออเพ่งค่ะว่าเพ่งกายเนี่ยแทนการทําสมถะนี่จะได้ไหมคะเพ่งกายก็เป็นสมถะนะ <c oughs> แต่ว่ายังไม่ต้องเพ่งหรอกนะเลี้ยงลูกไปแล้วก็ดูใจของเราไปลูกเราแต่ละวันแต่ละเวลาน่ารักน่าเกลียดไม่เท่ากันอ๋อคะ่นะอันนีนะ้ดูใจของเราไปอย่างนั้นเห็นแล้วเวลาที่ใจเราฟุ้งซ่าน